แต่พอเวลาผ่านไปลูกสามสี่ปีหรือบางทีแค่หนึ่งสองปีนั่นแหละก็เห็นเลวโอ้มันมีข้อตำหนิเยอะเลยมันมีข้อติข้อแก้ไขไอ้ใจที่ฟูมก็ก็เริ่มแฟบลงภาพว่าที่สวยงามที่แครคิดว่ามันสวยที่สุดแล้วมันก็ยังมีข้อตำหนิอันนี้เรียกว่ามันพร่องมันไม่สมบูรณ์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 เจ้านายก็ถึงกับมารอพอตัวเองไปสายเนี่ยเจ้านายก็พูดตำหนิตัวเองก็อารมณ์เสียนะตั้งแต่วินาทีแรกที่มาถึงที่ทำงานมาประชมุมราะก็ว่าเอกสารสำคัญลืมเอามานะเพราะว่ารีบไงตอนที่ไปเก็บเอกสารที่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 กว่าประกันจะมาก็เสียเวลาเป็นชั่วโมงนะถึงบ้านก็คำ่ำลูกก็รอเมียก็รอพอเห็นหน้าเมียเมียทักเมียโทรว่าทำไมถึงมาช้าปวก็ตอบว่าเมียทันทีเป็นเพราะเธอนั่นแหละนะนะมาตาหนิฉั น, เ, นเรื่องหวีผมนะทะเลาะกันอีกรอบหนึ่งนะเป็นนั้นว่าวันนั้นเนี่ยนะ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 นะเขาแค่เพราะมีสติรู้ทันความคิดนี้แล้วเขาไม่พูดออกไปนะเขาไม่โต้กลับภรรยาแล้วเขาจะรู้สึกขอบคุณนะเออขอบคุณหนะ้าที่ช่วยทักฉันนะที่ภรรยาทักพาะห่วงพาะปรารถนาดีเล้วเาไม่ด่าไปนะวันนั้นเนี่ย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 กว่าเจ้านายจะมาเห็นเขาเขาก็อยู่ในห้องประชุมแล้วถึงเวลาประชุมเสนอแผนงานเขาก็มีเอกสารครบให้ลูกค้านะดิลราคาเป็น10ล้าน1 0อล้านนะก็สามารถจะตกลงกันได้ด้ดีเจ้านายก็ชมเขาวันนั้นเขาก็มีความสุขตอนบ่ายไปทำงานนะเขาก็ทำงานได้ราบรื่นนะเพื่อนมาทักเพื่อนมาแซวเขาก็แซวกับ ก็เฮาหากันไปถึงเวลาเลิกงานเขาก็ขับรถกลับบ้านเนื่องจากเขาไม่งุดหยิดนะมันก็ไม่มีเหตุการณ์เฉี่ยวชนเขาถึงบ้านตรงเวลานะเจอลูกเจอเมียต่างคนต่างก็ยิ้มให้เขาก็ทักทายถึงเวลากินข้าวกินข้าวกันได้อย่างสนุกสนานราบเรื่องมีความสุขพ่อแม่ลูกนะมาเจอกันพร้อมหน้าก็มีความสุขถึงเวลาข้็นอนก็นอนก็ยังมีความสุข ถ้าเรามองนะสองเหตุการณ์เนี่ยนะสองสองฉากเนี่ยมันต่างกันมากนะฉากหนึ่งคือวันสวยอีกฉากนึงเนี่ยก็คือวันที่ราบรื่นมันต่างกันตรงไหนนะมันต่างกันตรงที่วันเนี่ยไอตอนที่นักธุรกิจคนนี้ถูกภรรยาทักเนี่ยหรือทวงเนี่ยถ้าเขาไม่มีสตินะเขาด่าไปโต้ไปเนี่ยวันนั้นก็คือวันสวยทั้งวันแต่ถ้าก็มีสตินะ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 มันไม่เป็นจ้งจะต้องอาราเ น, นรานาดกลายเป็นแบบโดมิโนโหรือเป็นลูกโซ่นะคนเราเนี่ยแม้จะเจอสิ่งที่ไม่ดีนะหรือสิ่งที่เป็นลบถา้าปฏิบัติถูกนะมันก็เกิดผลดีนะในสาพุทธกาลเนี่ยนะมีภาพรูปหนึ่งนะก็กำลังเดินบิธบาบจู่ๆก็เดียนเสียง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 ในนันก็มีหนุ่มเจ้าสำราญกำลังพานางคณิกาไปไปเที่ยวนางคณิกาก็แต่งตัวสวยเมื่อเห็นท่านละกุณตกาพัติยาเห็นท่านตัวเล็กๆติเตี่ยก็ยิ้มท่านละกุณิกาพัติยาก็เห็นศบตากันแล้วก็เห็นรอยยิ้มของเธอปกติถ้ามีผัสสาแบบนี้นะคนทั่วไปก็จะเกิดราคะ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 ไปขายถาวพิษนุโลกก็ถือโอกาสไปกราบนะพระพุทธชิ น, นราชแล้วขอพรวขอให้มีโชคนะประสบความสำเ็นในการค้าขายกราบเสร็จก็มานั่งพักนะนะอยู่แถวทถานั้นแหละระหว่างที่นั่งพักก็เห็นรถซาเล้งขับผ่านมาแล้วเขาก็มาหยุดตรงนั้นพอดีก็เลยเกิดความคิดนะ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 คือเห็นสิ่งที่อยู่ต่อหน้าต่อตาแล้วเนี่ยนะไม่ใช่ปล่อยไปเปล่าๆก็เอามาพิจารณาเกิดความคิดเกิดปัญญาขึ้นมาจริงๆไม่ใช่เพื่อเรื่องการทำมากินนะในเรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่างที่พูดนะเราสามารถจะเรียนทำหรือฝึกฝนตดได้เนี่ยจากพัรษะเนี่ยนะได้มากมายพัรษะแต่ละอย่างที่มากระทบเนี่ยนะมันเป็นการบ้าน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 เขเห็นความดีใจหนูเห็นข้างนในมันดีใจค่ะอันนี้ปฏิบัติแล้วเมื่อมีความดีใจเกิดขึ้นเห็นมันนะอันนี้เียกว่ากระทําถูกต่อสิ่งที่เรียกว่าผัสสะและนี่คือการปฏิบัตินะปฏิบัตินะเมื่อตายเห็นรูปหูได้ยินเสียงแล้วใจเป็นอย่างไร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 เมื่อทํากิจใดๆก็เห็นกายเคลื่อนไหวเมื่อเกิดภัสสะใดๆก็รู้ใจคิดนึกทําได้ทั้งวันแล้วนะนะเห็นกายเคลื่อนไหวเมื่อทํากิจรู้ใจคิดคิดนึกเมื่อเกิดภัสสะก็ฝากเอาไว้น ะ, ะสําหรับชาวนี้กราบพระ